อระหะโตสัมมาสมพุทธะนัติโลเกแรหโหนามะนัตติโลเก อ, อนินิทิโตนัตติโลเก อ, อ, อ, อนามะตันติอีณับดี อาตามภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในนัดฐิกถาพรรณนาถึงสิ่งที่ไม่มีในโลกอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงโปรโดท่านหลาย เพื่อให้เกิดปัญญารู้เท่าทันความเป็นไปของโลกและของชีวิตประรบในโอกาสวันธรรมมัสว vana นะหรือวันพระอันเป็นวันแห่งการฟังธรรมและวันที่ประเสรศิฐสำหรับชาวไทยชาวพุทธนอกจาก พุทธบริษัทญาติโยมชาววัดปริระวงสาวาทที่ได้มีศรัทธาประสาทมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่เป็นประจำแล้วในวารณีท่านพูน้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครท่านโส พ, พลโพธิศท่านผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ท่านสุภาพงกิศณพันธ์พ ร, ร้อมด้วยคณะได้มีศรัทธาภาษาธมาร่วมสดับพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้ด้วยในนามของคณะสงฆ์วัดปริยะวงสาวาทอันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเทรสมาคม เจ้าคณะภาคสองอการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและเจ้าวาดวัดปรีระวงสาวาสเป็นประธานขออนุโมทนาสาธุการต่อทุกทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยท่านทั้งหลายชีวิตทุกชีวิต ไม่เลือกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่เลือกว่าหญิงหรือชายไม่เลือกว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิดแท้จริงต่างก็มีอดีตด้วยกันทางนั้นแต่ว่าอดีตนั้นท่านมีไว้ให้จำ <c oughs> อนาคต มีไว้ให้กําหนดไว้ให้ศึกษาส่วนปัจจุบันนี้มีไว้ให้ทําคือจะทําอะไรก็ให้ทําในปัจจุบันแล้วอนาคตก็จะเป็นไปตามที่เราท่านทลายกาหนดเพรา ะ, ะนั้นอดีตมีไว้ให้จํา ปัจจุบันมีไว้ให้ ร, รมอนาคตมีไว้กำหนดและพิจารณาอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องคิดชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังดังที่ได้เคยประรบอยู่เนืองๆว่า ต้องเฝ้าระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคําพูดต้องเฝ้าระวังคําพูดเพราะจะกลายเป็นการกระทําต้องเฝ้าระวังการกระทําเพราะจะกลายเป็นพฤตินิสัยเหตุนี้ท่านาหลายความคิด หรือที่เรียกว่าจิตหรือที่เรียกว่ามโนเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากถ้าเราท่านทลายไม่รู้จักคิดชีวิตก็จะกระทบทุกข์แต่ถ้ารู้จักคิดชีวิตก็จะประสบแต่ความสุขดังที่ท่านบอกว่าคิดดีมีสุขคิดถูกสุขใจ คิดบวกสะดวกสบายคิดอภัยคิดให้ใจก็เป็นบุญเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทมีปกติคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีชีวิตของเราท่านทั้งหลายจึงมีความสุขถ้ามีปกติคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ในขณะเดียวกันในเรื่องของการทำดีทุกอย่างซึ่งทางพระศาสนาเรียกว่าทำบุญการทำดีนั้นไม่ต้องรอเวลาการทำดีไม่จำเป็นต้องมีปริญญา การทำดีไม่จำเป็นต้องมียศถาบรรดาศักดิ์อันนี้นับว่าสำคัญมากทำดีไม่ต้องรอเวลาคือมีเวลามีโอกาสเมื่อใดก็ทำถ้ารออาจจะไม่มีโอกาสได้ทำก็ได้ทำดีไม่จำเป็นต้องมีปริญญาชาวบ้าน ไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถเป็นคนดีได้ถ้ามีจิตใจใฝ่ดีทำดีไม่จําเป็นต้องมียศถาบรรดาศัก์ไม่ต้องมีอะไรเป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปก็สามารถทำได้ทั้งนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะการทำดีถ้าไม่ทำดีปริญญาก็ไม่มีไม่ทำดียศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธบริษัททุกวันพระหรือวันธรรมวัวนะ หรือวันอุโบสถท่านทลายก็กำหนดเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าวัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอันบริบูรณ์ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาสิ่งที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปอาตมภาพ เรียกว่าเป็นบุญแบบครบวงจรบุญครบวงจรได้แก่อะไรบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือทุกท่านจึงประจักษ์ได้ว่า พฤตินิสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตลอดมานั้นทำให้เกียรติคุณปรากฏทำให้เกียรติยศหรือชาทำให้ชีวิตมีคุณมีค่าเป็นชีวิตที่ได้กำไรคือบุญกุศลคุณงามความดีเพิ่มปูน ดังที่ได้เคยประรบให้ท่านทลายได้สดับอยู่เนืองๆว่าเราทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีบุญดีมาแต่เดิมแล้วก็มาเพิ่มเติมบุญใหม่ๆ ใ, ให้กับชีวิตจิตใจของเราท่านทลายเพรา่ฉะนั้นวันที่ชีวิตขาดทุนคือวันที่ไม่ได้ทำบุญและไม่ได้ให้อภัย ตรงกันข้ามวันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่ได้ให้อภัยและทำบุญท่านทลายสะดับและรองพิจารณาดูเถิดวันที่ชีวิตขาดทุนคือวันที่ไม่ได้ทำบุญและไม่ได้ให้อภัยจิตใจของเราก็เศร้าหมองความดีก็ไม่งอกงาม แต่วันที่ชีวิตได้กำไรคือวันที่ได้ให้อภัยและทำบุญจิตใจของเราก็ผ่องใสทุกสิ่งทุกอย่างก็เบิกบานเหตุนี้ที่เราท่านทลายแผ่เมตตาปรารถนาสุขต่อกันเลยกันอยู่เป็นประจำนั้นก็คือการทำให้จิตใจของเรา ไม่มัวหมองเพราะอำนาจแห่งโลภโทสะโมหะหรืออาฆาตพยาบาทจองเวรซึ่งกันละกันวันนี้เราตีเราดานึกคิดริษยาใครบ้างพรุ่งนี้งดตีด่าวางใจทางเมตตาการุณยังโกรธทอดกรุนฉุนอยู่ อย่าปูพูดพร่ำทำวุ่นใจสงบปากมือถือคุณเมตตาการุณบุญงามนี่แหละท่านทั้งหลายคือการรักษาจิตของเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องความเศร้าหมองก็จะหมดไปโลภโทสะและโมหะอันเป็นสนิมในใจนั้น มันจะเกาะกลุมเกาะติดต่อจิตใจของผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้แผ่เมตตาและก็ไม่ได้ให้อภัยเพราะเหตุนั้นโรคร้ายประจำจิตที่มันทำลายความสงบสุขของตัวเราเองและคนรอบข้างท่านจึงบอกว่า สนิมที่สำคัญอย่างยิ่งโรคอันตรายต่อจิตใจก็คือการเฝ้าจับผิดการคิดทำลายใจอคติตำหนิแต่คนอื่นจดยืนไม่มีเสียศีนินทาอิจฉาริษยา นี่แหละคือสนิมในใจเฝ้าจับผิดคือแทนที่จะจับผิดตนเองกับเฝ้าจับผิดผู้อื่นคนเรานั้นมักจะสว่างสวัยในความผิดพลาดบกพร่องของผู้อื่นแต่มักจะมืดบอดต่อความผิดพลาดบกพร่องของตนเอง พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุทัศ ส, สังวัชมันเยสังอัตโนปะนทะุทสังท่านแปลถอดความว่าโทษคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขนลมคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนลมของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรประการที่สองคิดทำลาย ไม่คิดสร้างสรรค์แต่คิดทำลายเหมือนบางคนบางท่านที่มีอำนาจวาสนาบารมีแทนทิศทิกที่จะคิดสร้างสรรค์กลับคิดทำลายคิดบานาติบาตพระศาสนาบานาติบาตพระเจ้าพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นใจอคติ เพราะใจเสียศูญใจที่เองเองียงใจที่เข้าข้างย่อมจะทำให้เสียศูนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอียงเพราะรักก็โฉดเอียงเพราะโกรธก็ชั่วเอียงเพราะหลงก็มัวเอียงเพราะ ก, กาะลกวะกัวก็หมนไม่อคติทั้งสี่นี่แหละ มีในผู้ใดแล้วทําให้ผู้นั้นผู้นั้น <c oughs> จิตใจไม่ปกติคนที่มีความโลภจะไม่รู้จักคําว่าพอเพียงคนที่ลำเอียงก็จะไม่รู้จักคําว่ายุติธรรมทําให้โลกและสังคมมีปัญหาตําหนิแต่คนอื่นคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ก้าวท่า เวลาที่ชี้นิ้วว่าคนอื่นท่านทลายลองนึกภาพเวลาเราชี้นิ้วว่าคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่เข้าท่าเวลาชี้ไปมันจะไปนิ้วชี้หรือบางทีก็นิ้วโป้งไปด้วยแต่ก็ไปเพียงนิ้วสองนิ้วแต่มันย้อนกลับเข้าหาตัวเสียสามนิ้วไปหนึ่งหรือสองแต่ย้อนเข้าตัวเสียสาม เพราะนั้นแท้จริงเรานี่แหละเป็นคนที่จะต้องตรวจสอบจะต้องพิจารณาจะต้องดำหนิเพื่อหาทางแก้ไขให้มากกว่าไปมุ่งแก้ไขคนอื่นจุดยืนไม่มีเป็นคนที่เหตไหนเหตนั่นเป็นคนที่ใครว่าอะไรก็ไปด้วย เป็นคนที่หูเบาใครเป่าก็ปลิวไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีหลักการประการต่อมาเสียดสีนินทานินทาคนนี้เสียดสีคนนั้นก่อความรําคาญทุกเช้าคำ่ำไม่สร้างสรรค์ความเจริญไม่สร้างสรรค์ไมตรีจิตมิตรภาพและที่อันตรายอย่างยิ่งก็คืออิจฉาริษยา พระพุทธเจ้าตรัสว่าความอิจฉาริษยายังโลกาให้พินาศจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้โลกทันสมัยการทำลายล้างซึ่งกันและกันนั้นเป็นเรื่องง่ายเพียงแต่ปล่อยคลิปบ้างปล่อยข่าวบ้างผลกระทบก็เกิดต่อโลกต่อสังคม โดยไม่คำนึงว่าใครจะเสียหายอย่างไรก็ตามเอาความสะใจเป็นที่ตั้งเพราะนั้นท่านถลายเราทุกท่านทุกคนเป็นบัณฑิตชนเป็นพุทธศาสนิกชนมีปกติคิดดีพูดดีและทำดีเราจึงเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อเสริมธรรมเสริมปัญญา กำจัดสนิมเสนียดในใจให้หมดไปและเป็นการใช้โอกาสและเวลานั้นให้เกิดประโยชน์โดยไม่ปล่อยให้ล่วงไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จ, จึงตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เธอทั้งหลายทำอะไรอยู่ก็คือให้เราท่านทลายทบทวนตรวจสอบ บทบาทลีลาของชีวิตให้เป็นเป็นทางสร้างสรรค์บรรดาประโยชน์อย่าปล่อยให้ล่วงไปโดยไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรวันและคืนพรันดับลงรับล่วงท่านทั้งปวงจงอุตสาหากุศลพรันชีวิตคิดถึงรำพึงตนอายุคนมันไม่ยืนถึงหมื่นปี อีกบทหนึง่งท่านหลวงวิจิตวาทการได้ประพันธ์เอาไว้ว่าโชคมนุษย์ไม่มีที่แน่นอนประเดี๋ยวเย็นประเดี๋ยวร้อนช่างแปรผันโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวันสารพันหาอะไรไม่ยั่งยืนทุกอย่างเป็นไปตามอนุภาพของพระไตรลักษณ์ อานิจจังทุกขังอนัตตามีอุบัติขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดยังกินจิสมุทะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรร ม, มังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไป เป็นธรรมดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกทุกท่านดังที่ได้ปรารฏในเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วก็เป็นวันพระที่มีอะไรพิเศษกว่าวันพระอื่นๆเพราะนอกจากจะเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนเจ็ ซึ่งตรงกับวันที่9มิถุนายนวันนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในแวดวงของชาวไทยชาวพุทธว่าเป็นวันอัตมีบูชาคือเป็นวันเนื่องจากวันพระที่ผ่านมาวันพระที่ผ่านมานั้นเป็นวันสาคัญสากลของโลกคือวันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญและเป็นวันมหัศจรรย์ของโลกเพราะเหตุการณ์สําคัญสามประการได้อุบัติขึ้นในวันเดียวกันเพียงแต่ต่างวาระกันเท่านั้นคือวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระบรมศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้วันนี้ เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระถ้าพูดแบบชาวบ้านก็คือเป็นวันเผาเพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนมาวัดมาไหว้พระมากราบพระมาพบพระก็ต้องให้เด็กพบธรรมด้วยพบพระแล้วก็พบธรรม กราพระไหว้พระให้ได้บุญกราบอย่างไรไหว่ยอย่างไรกราพระพุทธขอให้ช่วยหยุดความโลภ ก, กราพระธรรมให้ช่วยดับความโกรธที่เผาไหม้กราพระสงฆ์ให้ช่วยดับความหลงความงมงายกราพระตนตรัยช่วยดลใจให้เป็นคนดี กราบได้อย่างนี้ชื่อว่ากราบแล้วได้บุญกราบพระพุทธให้ช่วยหยุดความโลภ ก, กราบพระธรรมให้ช่วยดับความโกรธที่เผาไหม้กราบพระสงฆ์ให้ช่วยดับความหลงความงมงายกราบพระตนรมไตรช่วยดนใจให้เป็นคนดีอย่างนี้ชื่อว่า กราบแล้วได้ประโยชน์นึกถึงคำที่โบราณท่านกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่าพระดีอยู่ที่โบสถ์พระไม่ดีอยู่ที่วิหารอยู่ที่โบสถ์พระไม่โกรธอยู่ที่สะพระเสียสละอยู่ที่กุฏิแต่บางท่านก็เอาไปเพี้ยนเสีย พระดีอยู่ที่โบสถ์พระไม่กโกรธอยู่ที่สะพระตรกะอยู่กุฏิอย่างนี้ไม่ถูกนะีที่ถูกต้องว่าพระดีอยู่ที่วิหารที่โบสถ์คือพระประธานอย่างวัดปรีรวงสาวาทพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําพระวิหารประจําพระอาราม ก็คือหลวงพ่อพระพุทธนาพระประธานประจําพระอุโบสถก็คือพระพุทธธรรมวิเศตศาสดาดีอยู่ในวิหารในโบสถ์ใครไปสรรเสริญท่านก็นิ่งใครจะไปยกยอปอปั้นท่านก็นิ่งใครจะไปติฉินนินทาด่าว่าไรท่านก็นิ่ง ไม่มีกิเลสให้เป็นที่ปรากฏพระดีอยู่ที่วิหารที่โบสถ์พระไม่โกรธอยู่ที่สระคือพระคงคาได้แก่น้ำใครไปอาบใครไปดื่มก็เย็นทั้งนั้นไม่มีความร่ารรอนพระเสียสระอยู่ที่กุฏิ ท่านทลายหากว่าเรานึกคิดตามกระแสที่บางคนบางท่านพูดเราก็นึกว่าเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าลองทบทวนตรวจสอบดูเราก็จะเห็นได้ว่าพระสง ที่มีบทบาทสำคัญในการจันโลงโลกจันโลงพระศาสนานี่แหละคือยอดนักเสียสละญาติโยมคงจะประจักษ์สมเด็จพระสังฆราชของประเทศไทยหลายพระองค์สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียน สร้างโรงพักสร้างอาคารสถานที่ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดีประธานทุนการศึกษาสร้างวัดพัฒนาวัดเป็นมหาศารทั้งในอดีตและในปัจจุบัน เฉพาะอย่างยิ่งพระระดับสมเด็จพระราชาคณะมากรูปท่านทำดีแบบปิดทองหลังพระท่านไม่โปรโมทไม่โฆษณาแต่เมื่อไปศึกษาไปดูหน่าตกใจไม่เคยนึกไม่เคยคิดว่าท่านได้ อาศัยบา ร, รมีธรรมและบา ร, รมีกรรมที่ญาติโยมเริ่มใสศรัทธาสร้างสรรค์บันดาลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอนเนกประการพระระดับรองสมเด็จพระราชาคณะเช่นประเดชพระคุณทยาจคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดพระปีระวงศ์เป็นพระระดับมันสมองของคณะสงฆ์ และของประเทศเป็นพระที่ทั่วโลกรู้จักเป็นพระที่ทั่วโลกยกย่องได้บริหารการศึกษาให้เกิดแก่ประเทศชาติแก่มหาวิทชียาลัยแก่พระศาสนาเป็นอเนกประการในส่วนวัดวาอารามคณะสงฆ์ ท่านก็ได้เอาใจใส่บริหารจัดการวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าประสงค์รูปอื่นๆเช่นหลวงพ่อคูณที่มรณภาพไปเมื่อไม่นานไปทางไหนมองซ้ายมองขวาก็จะเห็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านโรงพักที่พักอาคาร ศาลาการประเรียนวัดต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้เสียสละสร้างสรรค์บันดาลประโยชน์ถ้าคิดเป็นเงินหลายพันล้านบาทพระมหาเถระรูปอื่นๆอีกมากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะประคุณสมเด็จพระมหารัชมังค า, ารารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ําเป็นพระมหาเถระที่เสียสละมากสร้างวัดเป็นจนํานวนมากเสียสละสร้างโรงเรียนสร้างอาคาร ให้การสนับสนุนให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์แก่สังคมประเทศชาติมากมายสุดที่จะพรรณนาอัตมาพูดได้เพราะได้รู้จักได้เห็นผลงานทุกแห่งที่ท่านบริหารท่านปกครองมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เพราะอาศัยบารมีธรรมและบารมีกรรมของเจ้าประคุณสมเด็จในขณะเดียวกันท่านก็ไม่โฆษณาแม้แต่ประเทศเนปาลที่เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวบาดเจ็บล้มตายจำนวนมหาศาลท่านก็ยังเมตตาช่วยเหลือ และเดินทางไปให้ขวัญให้กำลังใจรวบรวมทรัพย์ไปให้ขวัญให้กำลังใจในฐานะที่เนปาณ น, นั้นเป็นดินแดนที่ประสูติ์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นถิ่นพุทธเช่นเดียวกันที่นำเรื่องนี้เข้ามาประกอบก็เนื่องจากว่า คนที่เคยตำหนิพระสงฆ์ด่าพระสงฆ์สารพัดอย่างแท้จริงบางทีไม่เคยบวชแต่บางคนก็ถือต่างาศาสนาเที่ยวโจมตีให้เกิดปัญหาต่อวงการทั้งที่ไม่เคยเสียสละอะไร แม้แต่เสี่ยวหนึ่งของพระมาหาเถระแต่ละรูปแต่ละท่านเพราะนั้นท่านถลายอาตมาจึงบอกว่าพระเสียสระในอยู่ตามกุติคือพระเจ้าพระสงฆ์ยิ่งมีบา ร, รมีมากมีเกียรติคณมากท่านก็ยิ่งบำเพ็ญบา ร, รมีได้มากทำประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติได้มาก ท่านเหล่านี้แม้จากไปโลกและสังคมก็ไม่ลืมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรับรองไว้ตอนหนึ่งว่ารูปังเิรติมัจจานังนามะโคตตังนะเชรติอันความดีที่ทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันลบหายในภายหน้ากายอาจเลือนลับหายจากสายตา ดีไม่ลาลับหายจากสายใจพูดเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะสนับสนุนว่าแม้พุทธบริษัทญาติโยมซึ่งเป็นเครือขัดถ้าทำดีแล้วก็จะได้วันไหวเพราะเราเห็นตัวอย่างว่าแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ผู้บาเพ็ญความดีไม่เคยให้ทุกข์ให้โทษใครก็ยังถูก ดำนิยังถูกด่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกยังถูกคนที่ไม่ชอบใจจ้างหญิงคนหนึ่งคือนางมาคันธียาไปด่าพระพุทธเจ้าด้วยอักโกสวัตถุคือคำที่ไม่น่าดา่าหรือคำเจ็บแสบสารพัดอย่าง ด่าเสียๆให้หายเป็นเรื่องความชั่วร้ายด่าเป็นสัติิรชานทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาถูกด่าว่ามาแล้วเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการทำดีบางครั้งก็มีมานจึงเป็นที่มาของคำว่า มานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดมานไม่มีบา ร, รมีไม่แก่กล้าสำหรับญาติโยมไอ้ที่จะเว้นก็เป็นเรื่องยากพระก็เป็นเรื่องยากที่จะพ้นเคยไปปาตกรถาถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าวาดเป็นลูกวัด แต่ไปบรรยายอบรมผู้จะเป็นจเจ้าวาสก็ถวายข้อคิดแด่ท่านเหล่านั้นว่ามานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดมานไม่มีบา ร, รมีไม่แก่กล้าในขณะเดียวกันไม่มีมารสม่านไม่เก่ง แต่ถ้าแพ้มานสมผานก็เจงคืออยู่ไม่ได้ต้องเสคาราเพศต้องถูกขับไล่แพ้พ่ายต่ออํานาจของพยามานแต่ถ้าใครเอาชนะได้ผู้นั้นเป็นผู้แข็งแกรง่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพิชิตมารพระพิชิตมาร ถ้าไม่พิชิตมารไหนเลยจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะเอาชนะพระยามารได้เพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธนิยมหล่อสร้างเป็นพระประธานกราบไหว้กันมากบางหนึ่งก็คือพระปางมารวิชัยแปลว่าปางชนะมารเราท่านทั้งหลาย ไหว้พระก็เอาเคร็ดตรงนี้มานไม่มีบารมีไม่เกิดมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้าเคยบอกหลายท่านว่าอยู่ในโลกในสังคมที่จะพ้นจากอํานาจของโลกธรรมนั้นเป็นเรื่องอยากทาไมจะว่าเป็นเรื่องอยากเพราะอยู่ในโลก ก็ต้องจำเป็นที่จะได้รับผลกระทบจากโลกเหมือนอยู่ใต้ฟ้าที่จะหนีฝนหนีแดดให้พน้นเป็นเรื่องยากแต่เราท่านทหลายจะยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกมียิ้มได้เมื่อถูกยาะหัวเระาะเมื่อถูกเย้ยวางเฉยได้เมื่อถูกชม ถ้าญาติโยมไปไหนอย่าไปตัวเปล่าพกพระติดตัวไปด้วยพระหลวงพ่อติดตัวไปด้วยหลวงพ่อที่จะฝากให้ญาติโยมพกไปเนี่ยไม่ต้องไปมากนะเอาไว้แค่สีอ่องค์พอหลวงพ่อสีอ่องค์จะคุ้มครองท่านทลายได้หนึ่งหลวงพ่อยิ้ม สองหลวงพ่อเย้มสมหลวงพ่อแจ่มสี่หลวงพ่อใสหลวงพ่อยิม้มหลวงพ่อแยมหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อใสไปไหนปลอดภัยยิมแยมแจ่มใสเ ย, ยิมแยมแจ่มใสนี่แหละจะทำให้ทุกท่านไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของโลกธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวิญานอดีตเจ้าวาดวัดปยุรวงรูปที่แล้วเคยเทศอยู่เป็นประจำหลายท่านคงจำได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้พกหลวงพ่อยิ้มไว้ที่ใบหน้าพกหลวงพ่อเมตตาไว้ที่ดวงใจอยากโยมคงจะนึกได้ พกหลวงพ่อยิ้มไว้ที่ใบหน้าพกหลวงพ่อเมตตาไว้ที่ดวงใจไปไหนก็สะดวกสบายทั้งขาไปขากลับโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไปโชคดีมีชัยไม่มีภยัไภยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภยัยถ้าพกหลวงพ่อดังที่ได้กล่าวแล้วติด ตัวไปด้วยเหตุนี้พระพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทศเทศนาเนะบื้องตน้นว่านัตติโลเกระโหนนามะจริงๆแล้วมาจากคำเต็มว่านัตติโลเกระโหนนามะป่าปกกัมมังปะกุพโต แปลว่าขึ้นชื่อว่าความลับย่อมไม่มีในโลกสำหรับบุคคลผู้ทำาชั่วแสดงว่าอะไรก็ตามที่บุคคลได้ทำไว้แม้จะไม่มีใครเห็นแม้จะไม่ได้บอกใครกลบเกลื่อนไว้แต่สักวันหนึ่ง เรื่องนี้ก็จะปรากฏเพราะนั้นท่านทลายจะเห็นได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงในตอนต้นคนอาจจะไม่รู้คนอาจจะยังจับไม่ได้ต่อเมื่อนา น, านวันเข้าหลักฐานย่อมปรากฏเมื่อ ผลของการกระทาปรากฏความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะปรากฏข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้เราท่านทลายตรนักว่าขึ้นชื่อว่าความรับทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชั่วที่ได้ทำลงไปนั้นไม่มีในโลกย่อมจากสว่างสวัย เป็นที่รู้กันไม่วันใดก็วันหนึ่งประการที่สองนัตติโลเก อ, อันินติโตคนไม่ถูกติฉินนินทาก็ไม่มีในโลกคนมีแต่สรรเสริญส่วนเดียวก็ไม่มีคนที่จะถูกยกย่องอย่างเดียวก็ไม่มี ถูกด่าก็มีถูกตำหนิก็มีเพียงแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเกิดเป็นคนต้องทนให้คนดา่าจะทำดีทำบ้าถูกด่าหมดทำซื่อซื่อถูกด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวลดถูกด่าว่าไม่ตรงท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง เวลาทำดีคนชั่วมันก็ว่าเวลาทำชั่วช้าคนดีเขาก็ทำนีทำซื่อคนคตมันก็ว่าทำเลี้ยวลดคนซื่อเขาก็ทำนีแต่ว่าถ้าเป็นความดีแล้วต้องไม่หวั่นไหวเหมือนพระรูปหนึ่งนามว่าพระปุ น, นะ พระปุณณนะท่านจะเดินทางประจำบรรษาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านสุนาปรันตปะหมู่บ้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านของคนปากเสียเพราะไม่มีใครพูดเพราะมีแต่คนพูดยาบมีแต่คนตำหนิติชินินทาด่าว่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่า พระปุณะจะไปจำพรรษาที่นั่นก็เกรงว่าพระปุณะนี่จะทนไหวหรือจึงตรัสเรียกเข้ามาทดสอบอารมณ์ตรัสถามว่าปุญณทราบว่าเธอจะไปจำพรรษาที่หมู่บ้านสุนาปรันตปะใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะเขาว่าคนบ้านนั้นปากร้ายปากเสีย เธอจะทนไหวหรือข้าพระองค์คิดว่าทนได้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ทดสอบสมมุติว่าเขาว่าเธอเธอจะว่าอย่างไงถ้าเขาว่าข้าพระองค์ก็คิดว่าคิดว่าคิดว่าอย่างไรคิดว่าดีกว่าดีกว่ายังไง ดีกว่าเขาด่าถ้าเขาว่าก็คิดว่าดีกว่าคือดีกว่าเขาด่าถ้าเขาด่าเธอละก็คิดว่าดีกว่าดีกว่ายังไงดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีเธอล่ะข้าพระองค์ก็คิดว่าดีกว่าดีกว่ายังไงดีกว่าเขาฆ่า และถ้าเขาฆ่าเธอละฆ่าพระองค์ก็คิดว่าดีกว่าดีกว่ายัางไงดีกว่าฆ่าพระองค์ไปฆ่าเขาพอถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสสาธุปณนนะถ้าอย่างนั้นเธอไปได้แสดงว่าเป็นคนหนักแน่นเป็นคนไม่หวั่นไหวประดุดขุนเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุที่โหมกระหน่า ภาษาพระเรียกว่าตาทิบุคคลคนหนักแน่นคนไม่วันไหวไม่เอนเอียงด้วยอำนาจโลกธรรมดังที่ได้ปรารบแล้วอีกประการหนึ่งท่านถลายนัตติโลเก อ, อนามาตังขึ้นชื่อว่าเมื่อเกิดแล้วที่จะไม่ตายดัน ไม่มีในโลกขนาดพระพุทธเจ้ายังป ร, รินิพานจึงเป็นเครื่องยืนยันให้ชัดเจนว่าตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องตน้นดำรงอยู่ในท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุด เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะหนีอะไรก็อาจจะหนีได้แต่ที่หนีกันไม่ได้หนีกันไม่พ้นก็คือหนีตายนี่แหละจะหนีไปอยู่ซีกโลกไหนก็มีคนตายทางนั้น ท่านจึงบอกว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้าโยกหลบลี้หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้น สักคนเดียวอันวรณามีประจําทุกสัมสัตแต่พระตรัสเป็นมุนินชินสีแสนประเสริฐเลิศพิภพบจบธาตรียังจรลีเข้าถึงซึ่งนิพพานเพราะนั้นที่บอกว่าจะหนีไปถิ่นฐานย่านใดไม่พ้นแน่นอนแม้สอนกายในกรีบเมฆกลางเวหา ซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาไพรณทนะินใดพ้นตายนั้นไม่มีทุกคนกลัวความตายทำไมจึงกลัวเวลาเกิดทำไมจึงไม่กลัวแต่ไปกลัวความตาย เกิดเป็นต้นตายเป็นผลถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายจริงๆแล้วเมื่อรู้ว่าจะต้องตายเราต้องคิดหาเคร็ดหาคติจากความตายให้ได้ตอนที่พระเจ้าประสงค์ท่านบังสุกุล ญาติโยมก็ทอดผ้าพระท่านบังสุกุลทุกครั้งอนิจจาวตสังขาราอุปาทวิยธรรมมิโนอุปจิตตวานิรชุชนติเตสังวูปสโมสุขโขตรงนี้แหละเตสังวูปสโมสุขโขการเข้าไปสงบระ ง, งับ แห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขนี่แปลตามตัวแต่ว่าเรื่องนี้ก็เคยมีเรื่องมาแล้วเอาบวชนานนิทานเยอะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งหลายปีมาแล้วมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่สองรูป ทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่นะรูปหนึ่งเป็นรองสมเด็จแล้วรูปหนึ่งเป็นพระราชาคณะมีโยมที่เคารพนับถือพระเถระสองรูปนี้มากเป็นคุณนายและมีลูกชายอยู่คนเดียวเป็นลูกชายโทนต่อมาลูกชายเนี่ยป่วยแล้วก็ตาย คุณนายเสียใจมากสวดศพเจ็ดวันคุณนายก็ร้องไห้อยู่เจ็ดวันเพราะแก้วตาดวงใจมีคนเดียววันจะเผาก็นึกถึงพระเถระผู้ใหญ่สองรูปอยากให้ท่านมาเทศแสดงธรรมอย่างน้อย ก็เตือนจิตสกิดใจหรือปลอบใจให้คลายเศร้าโศกบ้างพระเทระสองรูปน้ทะกอกคิดจะเทศเรื่องอะไรดีให้คุณนายท่านเบาใจให้เห็นว่าความตายนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนพระธิระจันท์ขึ้นแล้วก็ตกเกิดแล้วมันก็ต้องตายท่านก็เอาพระบาลีบทนี้แหละไปตั้งชื่อเทศ เตสังวูปะสะโมสุขโขนี่แหละแต่เรียกให้มันเข้าใจง่ายๆตั้งชื่อว่าตายเสียได้ก็ดีเท่านั้นเองเกิดเรื่องแทนที่คุณนายจะเบาใจกับทุกข์ใจหนักใจโถพระเราอุตส่าห์สูญเสียลูกชายแก้วตาดวงใจแทนที่จะมาปลอบใจกลับ ซ้ำเติมครับอีกแสดงว่าลูกเรานี่มันแย่เต็มทีไม่ดีตายเสียได้ก็ดีนี่คุณนายคิดแต่พระไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าตายเสียได้ก็ดีเนี่ยคือตายเนี่ยมันดีอย่างไรมันเป็นประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นสุขอันนี้หัวข้อเรื่องเป็นเหตุตายเสียได้ก็ดี ทีนี้ที่วัดดีเนี่ยมัน ด, ดีอย่างไรอาตมาจะวิจัยให้ฟังโดยย่อๆตายดีมีประโยชน์โยมฟังนะเพื่อเวลาใกล้ขึ้นมาจะได้นึกถึงคำอาตมาบ้างหนึ่งตายแล้วกฎหมายไม่แตะต้องสองญาติพี่น้องไม่รบกวน สามมีคดีก็ยกเลิกสี่มีนี่สินก็ยกให้ห้ามีเวภัยก็เลิกแล้วต่อกันนี่แหละเตสังวูปะสะโมสุขโขกฎหมายไม่แตะต้องตายแล้วมีผู้พิพากษาคนไหนตามไปดำเนินคดีกับผีบ้าง ญาติมิตรไม่รบกวนไอ้ที่เคยมาขอมากู้มายืมอยู่เป็นประจำก็ไม่มีใครตามไปขอกู้ยืมจากผีสักรายมีคดีก็ยกเลิกไอ้ที่ดําเนินคดีกันอุตรุษตายแล้วก็ไม่มีผู้พิพากษาคนไหนตามไปดําเนินคดีหรือไม่มีตํารวจคนไหนตามไปจับผีอย่างที่ว่า มีหนี้สินก็ยกให้ไอ้ที่กู้ยืมกันไว้ไม่มีใครตามไปทวงสักรายตายแล้วแล้วกันแม้แต่ขัดใจกันอาฆาตพยาบาทกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายแล้วก็ถือว่าจบไม่มีใครตามไปล้างผานซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความตายดีอย่างนี้ จึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพราะเป็นสมบัติประจำชีวิตที่ทุกคนต้องประสบไม่ได้เลือกตายเฉพาะคนใดคนหนึ่งความตายจึงให้ความเป็นธรรมกับทุกรูปทุกนามจึงนำเรื่องนี้มาชี้แจงแสดงปโปรดท่านทั้งหลายในเรื่องนักถิกถา พันน า, นาถึงสิ่งที่ไม่มีในโลกยกเรื่องความลับไม่มีในโลกคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนไม่ตายไม่มีในโลกเพราะพระพุทธเจ้ายัางปรินิพานให้เห็นเป็นแบบอย่างดังได้วิสัชนานามาท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาดี ในนามของคณะสงฆ์วัดปรยิยระวงศสาวาตวรวิหารมีพระเดชพระคุณทัาจาคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดเป็นประธานขออนุมโมทนาสาธุการต่อพ้องพุทธบริษัทญาติโยมชาววัดปรยิยระวงศ์สาวาททุกท่านทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน โ, พพโพสพลโพธิศบท่านพุ่มนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครที่ได้ ภาคณะมาสดับพระธรรมเทศนามาฟังธรรมและมาร่วมบำเพ็ญกุศลช่วยงานวัดปิระวงเป็นประจำเสมอมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านสุพพงศ์กิจสนพันธ์ท่านผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูงตลอดถึงทุกท่านทุกคนที่แม้ไม่ได้เอ่ยนามขอทุกท่าน จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกจเจริญสุขสิริศักด์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดพ่องพ้นผ่องภาย ขอเดชะคุณพระสังคราชกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระตรรัฐดังฉัดชัยเจริญวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามบโดยประสงค์ก็ขอสมมุตยิยติลงคงไว แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี